อริยสัจและวิธีรู้แจ้งอริยสัจวงเล็บเปิดยีกรกฎาคม2551ั25ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดธรรมะของพระพุทธเจ้ากว้างขวางมีมากแต่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นรวมลงในอริยสัจได้อริยสัจจึงเป็นธรรมะที่สำคัญมากลึกซึ้งที่สุดประณีตที่สุดผู้ใดไม่เห็นแจ้งอริยสัจจะไม่สามารถข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่สำคัญถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันเลยว่า ถ้าท่านไม่แจ้งอริยสัจท่านจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในความทุกข์ไปเรื่อยๆพ้นไม่ได้หรอกฉะนั้นอริยรสัจสําคัญมากอริยสัจเป็นความจริงมาจากคำสองคาคําว่าในเครื่องหมายคําพูดอริยะอันหนึ่งกับคําว่าในเครื่องหมายคําพูดสัจจะอันหนึ่งอริยะแปลว่าพูดเจริญ คือบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้ได้เห็นความจริงความจริงของโลกความจริงของชีวิตความจริงของจักรวาลคือถ้าเข้าใจอันหนึ่งก็เข้าใจทั้งหมดได้แปลกนะธรรมะเข้าใจส่วนหนึ่งแล้วจะเข้าใจทั้งหมดทีนี้ท่านเข้าใจในกายในใจตัวเองแจ่มแจ้งท่านเข้าใจโลกท่านเข้าใจจักรวาลเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเข้าใจสิ่งซึ่งพ้นจากโลกด้วยนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะ อริยสัตว์ตัวที่หนึ่งชื่อว่าทุก์พวกเราอย่านึกว่าหมูหมูนะหลวงพ่อกล้ายืนยันว่าในห้องนี้ไม่มีคนรู้แจ้งอริยสัตว์ที่นั่งอยู่ตามพื้นนี่ไม่มีผู้รู้แจ้งอริยสัตว์ยังมากก็จําเอาไว้พวกเราจําได้ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีใครไม่เคยได้ยินไหมมีไหมมีใครรู้จักไหมอริยสัตว์อริยสัตว์คือความจริงของพระอริยเจ้าความจริงที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นพระอริยเจ้า มีหลายนัยยะคนธรรมดาถ้าเข้าใจอริยสัจก็จะกลายเป็นพระอริยะอริยสัจก็เป็นสัจจะที่พระอริยะไปรู้อริยรสัจ4ี่ประการสําคัญที่สุดนะคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจอย่าไปแปลความทุกข์ว่าความทุกข์เฉยๆคาว่าทุกข์ในอริยสัจนี่ไม่ได้แปลว่าความทุกข์ทุกข์ในอริยสัจแปลว่ากายกับใจรูปกับนาม อันแรกเราก็ชักงงแล้วใช่ไหมเราบอกว่าเราเป็นเช้าพุทธธรรมะที่สําคัญที่สุดเราไม่รู้จักท่านบอกว่าทุกข์คือกายกับใจเรารู้สึกไหมกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เราไม่รู้จักหรอกเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมมีใครรู้สึกไหมว่าร่างกายเป็นทุกข์ร้อยเซมีไหมจิตใจเป็นทุกข์ร้อยเซมีไหม ไม่มีเราจะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างทั้งกายทั้งใจนี่เรียกว่าไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งในกองทุกข์ตราบใดที่ยังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันจะไม่ยอมปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจหรอกเพราะมันยังมีทางเลือกที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขยังรักอยู่ยังหวงแหนอยู่ยังหาทางดิ้นรนให้กายให้ใจมีความสุขอยู่เมื่อไม่รู M ้แจ้งในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่แจ้งอริยสัจ ไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์จะไม่สามารถปล่อยวางความยึดถือกายความยึดถือใจได้จะหวงแหนยังรักมันยังหวงแหนมันเ <disgusting. S 1> <ülme> มื่อรักมันหวงแหนมันนะสมุทัยก็จะเกิดขึ้นสมุทัยคือตัญหาคือความอยากอยากอะไรอยากให้กายมีความสุขอยากให้กายพ้นทุ ก, กข์อยากให้จิตใจมีความสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์นี่ความอยากนี้แหละคือตัวตันหาล่ะถ้าตันหาเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีก มันจะเกิดทุกซ้ำซ้อนขึ้นมาเบื้องต้นนะกายกับใจเป็นตัวทุกข์อันนี้เราไม่เห็นหรอกแต่ว่าเบื้องปลายนี่ทันทีที่เกิดความอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกขเมื่อเกิดความอยากขึ้นเมื่อไหร่จิตจะดิ้นรนเมื่อนั้นเมื่อจิตดิ้นรนเมื่อไรจิตจะมีความทุกขซ้ำซ้อนขึ้นมากายกับใจเป็นตัวทุกขอยู่แล้วพอเกิดตัณหาเกิดอุปทานคือความยึดถือเกิดพบคือการดิ้นรนทํางานของจิต ความทุกข์ก็จะเกิดซ้ำซ้อนขึ้นที่จิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่รู้ทุกข์มันก็เกิดสมุทยัยจิตใจก็ดิ้นรนปรุงแต่งนิโรธก็ไม่ปรากฏนิโรธคือนิพพานนิพพานแปลว่าสภาวะซึ่งพ้นจากความปรุงแต่งสภาวะซึ่งพ้นจากตัณหาสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งมีชื่อเป็นภาษาแขกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดวิสังขารปิดเครื่องหมายคำพูดสภาวะที่พ้นจากตัณหาชื่อว่าในเครื่องหมายคำพูดวิราคะ อันนี้เป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเลยเมื่อจิตยังดิ้นรนค้นคว้าจิตยังมีความอยากมีความยึดถืออยู่นิพพานไม่ปรากฏความพ้นทุกข์ไม่มีเพราะยังวนเวียนอยู่ในขันอยู่ต่อเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัตินิโรธแจ้งอัตโนมัติอริยมรรคก็เกิดอัตโนมัติเลยนี่ธรรมะอย่างนี้เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังหรอกน้อยที่จะได้ยินน้อยที่จะได้ฟังถึงได้ยินได้ฟังก็ตีความผิด ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครพูดเลยครูบาอาจารย์ท่านก็เทศให้ฟังแต่ว่าเราไม่เข้าใจหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปเรียนกับหลวงปู่เทศท่านสอนบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปปิดเครื่องหมายคำพูดท่านเคยสอนอย่างนี้เราฟังแล้วเหมือนกับวลีที่เป็นปรัชญายอย่างไรชอบกลนอยู่ฟังแล้วแปลไม่ออกหรอกเราก็นึกว่าเราเข้าใจที่ท่านสอน จริงๆไม่เข้าใจ foundation. เรายังเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งดีมีทั้งชั่วท่านยืนยันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับอันนั้นท่านเข้าใจธรรมะของพระอริยเจ้าแจ่มแจ้งแล้วส่วนพวกเราไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะของปุถุชนปุถุชนก็เข้าใจธรรมะอย่างปุถุชนพระโสดาบาันก็เข้าใจอย่างพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็เข้าใจอย่างของตัวเอง พระอาหารหันต์ก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันหรอกความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งมันรู้แจ้งโลกแจ้งในรูปในนามในกายในใจจนไม่ยึดถือโลกแล้วปล่อยวางเมื่อไรปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อนั้นจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจถ้าเรายึดอะไรเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์วัยรุ่นยอมรับไม่ได้นะวัยรุ่นยอมรับว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุข ที่ไดรักไม่สมหวังที่นั่นถึงจะมีทุกข์นี่ธรรมะของปุถุชนกับธรรมะของพระอริยเจ้าคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยฉะนั้นที่พวกเรามาเรียนนะเรียนเพื่อวันหนึ่งเราจะรู้แจ้งธรรมะของพระอริยเจ้าจำเอาไว้นะเราจะต้องเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่เรียนฉะนั้นชาวพุทธเป็นนักเรียนเราต้องเรียนเพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระอริยเจ้าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพระอริยเจ้าไม่เหลือวิสัย ถ้าหากได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือทำอย่างถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนแล้วทุ่มเทด้วยชีวิตต้องได้ต้องทุ่มเทด้วยชีวิตเชียวนะอย่ามาทำหย่อหยๆแยะแยนั่งภาวนาวันนี้นั่งไปสิบนาทีแล้วเออพอแล้วนอนดีกว่าอีกวันหนึ่งได้สิอนาทีอีกวันหนึ่งได้แนา ท, วนนนาทีวันนี้เก็บเอาไว้ก่อนกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้กินหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งลงทั้งวัน หลงใจล อ, อยจิตใจอยู่กับกิเลส ท, ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วจะมาร่ำร้องหามักผลนิพพานไม่มีวันได้รับหรอกเหตุกับผลต้องสมควรกันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยว่าให้เรารู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นท่านบอกวิธีด้วยวิธีที่จะทําให้เรารู้แจ้งอริยสัจเห็นความจริงของทุกขสมุทัยนิโรธมักทุกข์คือกายกับใจถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งนะสมุทัยดับเองนิโรธเกิดขึ้นเองปรากฏเอง อริยมรรคเกิดขึ้นเองฉะนั้นอยู่ที่รู้ทุกนี่เองท่านบอกวิธีรู้ทุกเอาไว้ให้วิธีรู้ทุก์ที่ท่านสอนก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนั่นเองฟังแล้วชื่อหน้ากลัวนะคล้ายๆทําสติปัฏฐานก็ได้แต่ในความเป็นจริงสติปัฏฐานนี่ไม่ใช่วิปัสสนาทั้งหมดสติปัฏฐานบางส่วนเป็นสมถะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ตรงเป๊ะเลยก็คือท่านสอนวิปัสสนากรรมฐา น, าฐานคําว่าวิปัสสนามาจากคําว่าในเครื่องหมายคําพูด คําหนึ่งและคําว่าในเครื่องหมายคําพูดปัสนาคําหนึ่งในเครื่องหมายคําพูดวิคือวิเศษในเครื่องหมายคําพูดปัสนาคือการเห็นอย่างวิเศษเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นอย่างวิเศษเห็นอย่างไรเห็นความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ฉะนั้นหัวใจในการปฏิบัติจริงๆนะขั้นแรกเลยต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองนี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองกายกับใจต้องแสดงไตรลักษ์ให้เห็นได้ถ้าใครเห็นกายเห็นใจแล้วไม่เห็นไตรลักษ์นี่ไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นยากมากที่คนคนหนึ่งจะทำวิปัสนายากที่สุดเลยแต่ไม่ยากเลยนะที่ผู้ที่เดินวิปัสนาแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าบางทีท่านพูดบอกว่าผู้จเจริญสติปัฏฐานบางทีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีได้เป็นพระอารหรันต หรือถ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ได้พระอนาคามีท่านบอกอย่างนี้ฉะนั้นไม่ยากหรอกที่ผู้เจริญสติเป็นแล้วทําวิปัสนาเป็นแล้วหรือทําสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะสามารถทําวิปัสนาได้ขั้นแรกเลยไม่รู้ว่าวิปัสนาคืออะไรเคยได้ยินบ้างไหมวิปัสนาเคยได้ยินชื่อไหมวิปัสนาทําอย่างไรขั้นแรกนั่งขัดสมาธิขั้นที่สองนั่งหลับตา ขั้นที่สมหลับนิวิปัสนาอุบาทอย่าทำเด็ดขาดเลยนะพวกเราส่วนใหญ่พอคิดถึงการปฏิบัติธรรมต้องวางฟอร์มให้สวยงามต้องหลับตาแล้วก็ปล่อยให้ใจไหลไหลไหลวูบลงไปนะตื่นขึ้นมาทีไรสาระที่สุดเลยมันสะสมให้กิเลสของเรามากกว่าเก่าอีกคืนไปนั่งอย่างนั้นโมหะก็จะมากขึ้นราคะก็จะมากขึ้นพอโมหะราคะมากนะพอออกจากสมาธิจอมปลอมอย่างนั้นโทสะก็จะมากขึ้น ฉะนั้นพวกเราคนใดนั่งสมาธิเคลิ้มเคลิมสบายสบายพอออกจากสมาธิแล้วจะขี้มโมโหมากกว่าเก่าอีกเพราะมันไปติดความสุขความสบายราคะโทสะโมหะมันหากินอยู่กับการปฏิบัติของเรายิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งหนาปัญญายิ่งหยาบปฏิบัติอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเราจะทําวิปัสสนาให้ถูกต้องขั้นแรกเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ก่อนเพราะวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้เป็น ขั้นที่สองเมื่อรู้สึกกายรู้สึกใจเป็นแล้วต้องสามารถปล่อยให้ใจเ้าทํางานแสดงไตรลักษณ์ได้พวกเราหลวงพ่อกล้าพูดเลยในโลกนี้คนที่รู้สึกกายรู้สึกใจมีนับตัวได้เลยยิ่งจะไม่ก่อนๆไม่มีคนรู้สึกตัวเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่มีแต่ครูบาอาจารย์ทางอีสานสายอื่นท่านก็มีบ้างที่ท่านทําได้อย่างหลวงปู่บุตรดาอะไรอย่างนี้ท่านก็ทําของท่านได้ครูบาพรหมจักท่านก็ทําของท่านได้หลายองค์ ท่านกอเขาสวนหลวงผู้หญิงท่านก็ทำของท่านได้มีหลายท่านหลวงพ่อเทียนก็ทำได้มีเหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทางอีสานทั้งนั้นท่านภาวนาของท่านได้รู้สึกตัวท่านสอนให้รู้สึกตัวแต่หลังๆคนไม่ค่อยรู้สึกหรอกคนลืมตัวหลงทั้งวันเลยในโลกนี้มีแต่คนหลงหลวงพ่อพูดคานี้มาหลายปีก่อนแล้วร่วมสิบกว่าปีแล้วหลวงพ่อบอกมานานแล้วในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลง มีแต่คนฝันทั้งๆ ท, ท, ที่ลืมตาตื่นนอนหลับก็ฝันตื่นขึ้นมาก็ฝันอีกเรียกว่าฝันกลางวันในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวไม่มีคนตื่นตื่นเพราะร่างกายแต่จิตใจไม่เคยตื่นพูดตรงนี้แรกๆไม่มีคนเข้าใจหาว่าเราดูถูกเหยียดหยามเสอีกพอมหัตภาวนาจนสติเกิดขึ้นมาแล้วถึงจะตกใจตัวเองว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่มันฝันตลอดวันตลอดคืนจริงๆไม่เคยตื่นเลย ตรงที่มันไม่ตื่นตรงที่มันฝันไปมันเป็นอย่างไรสังเกตไหมใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาเลยรู้สึกไหมความคิดกับความฝันคือสิ่งเดียวกันความคิดตอนที่หลับนี่เขาเรียกว่าความฝันความฝันตอนที่ตื่นเขาเรียกว่าความคิดเรียกให้โกโก้ว่าความคิดจริงๆมันฝันจิตมันคิดไปจิตมันหลงไปพวกเราสังเกตให้ดีในขณะที่เราคิดมีร่างกายก็เหมือนไม่มีมีจิตใจก็เหมือนไม่มี รู้สึกไหมเวลาที่เราคิดเวลาที่เรารู้เรื่องที่คิดเราจะลืมกายลืมใจทันทีเลยไม่เฉพาะเวลาคิดนะเวลาเราดูเวลาเราฟังเวลาเราได้กลิ่นเวลาเราได้รสเวลาเรากระทบสัมผัสทางกายเราก็ลืมกายลืมใจเหมือนกันต่อไปนี้เราจะทดสอบหลวงพ่อยอมเสียสละพระพุทธรูปให้ดูพระของหลวงพ่อเป็นวัตถุมงคลเพราะพวกเรามองมากๆจะเป็นวัตถุอัปมงคลได้มีความหลงเจือปน ลองมองที่ยอดพระสิตั้งใจมองไปที่พระเกศของพระสังเกตให้ดีว่ามีกี่แฉกพระเกศของท่านนะ่ะมีกี่แฉกดูให้ดีนับให้ดีเอียงซ้ายหรือเอียงขวาสังเกตไหมในขณะที่เราจดจ่ออยู่ที่พระเราลืมกายลืมใจตัวเองแล้วนึกออกไหมพอแล้วไม่ต้องดูหลวงพ่อให้ดูพระเพื่อให้รู้ว่าเวลาเราหลงไปดูเราลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมเรามีกายก็เหมือนไม่มีใช่ไหม มองมองมองลืมตัวเองไปแล้วจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกมันมันสุขก็ไม่รู้มันทุกข์ก็ไม่รู้มันยินดีมันยินร้ายมันสงสัยมันโหดหูมันฟุ้งซ่านมันโลภมันโกรธมันหลงไม่รู้สักอย่างเลยนี่แหละเรียกว่าเราลืมตัวเองแล้วในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกมีแต่คนหลงในโลกถึงขาดแคลนพระอริยเจ้าถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อย วันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าเรารู้ทุกคนในโลกไม่รู้กายไม่รู้ใจคนในโลกลืมกายลืมใจทีนี้ถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วต้องมีเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งคือใจเราต้องตั้งมั่นถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิถึงจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์หันให้มีสติก็คือหันรู้สึกตัวศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือความหลงความเผลอนั่นแหละเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิด ฉะนั้นคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเอาไว้ถ้าเมไรเรารู้ทันจิตใจของตัวเองเราก็จะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะตื่นขึ้นมาความตื่นขึ้นมานี่แหละเป็นต้นทางที่จะทําให้เราเดินวิปัสสนาได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขอีกอย่างเดียวเท่านั้นเองคือมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ได้ทําวิปัสสนาได้ อันแรกถ้าไม่ตื่นไม่สามารถทำวิปัสนาได้เลยอันที่สองถ้าตื่นขึ้นมาแล้วจิตไม่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจะทำได้แค่สมถะกรรมาฐานจะกลายเป็นการเพ่งร่างกายเพ่งจิตใจได้แต่สมถะขึ้นวิปัสนาไม่ได้จริงธรรมะไม่ใช่ของคนอ่อนแอขี้เกียจขี้คร้านขนาดนั้นธรรมะเป็นของนักสู้ต้องสู้นะชีวิตนี้ไม่ใช่ปล่อยชีวิตตามยถากรรมการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องจริงจังต้องศึกษา เราอุตสาห์เรียนวิชาทางโลกตั้งมากมายหวังว่าจะได้มีชีวิตที่มีความสุขเรียนวิชาทางโลกมาอุตสาห์เรียนตั้งหลายปีกว่าจะจบปริญญามาจบอะไรต่ออะไรมาจบมาแล้วมาหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตหวังว่าจะมีความสุขสาศาสนาพุทธนี่แหละเป็นาศาสนาที่ตอบคําถามเราตรงๆเลยว่าทําอย่างไรจะมีความสุขที่แท้จริงสุขอย่างที่เราเรียนนั้นมันสุขสุขดิบๆอย่างเราได้เงินมาใช่ไหมเรานึกว่ามีความสุข คนมีสตางค์ไม่ได้มีความสุขจริงนะคนที่มาวัดหลวงพ่อรวยร้อยล้านพันล้านก็มีไม่เห็นมันจะมีความสุขเลยหรือคนเรียนมากๆเป็นด็อกเตอร์ก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรเลยเนี่ยพูดถึงด็อกเตอร์ไม่มีความสุขต้องดูหน้าอาจารย์ตู่อะไรอย่างนี้เพราะนี่เขาก็ด็อกเตอร์ด็อก อ, อื่นก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เห็นจะมีความสุขเท่าไหร่เลยรู้มากเรียนมากรวยมากมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะจะพบความสุขที่แท้จริงอัศจรรย์ ทำไมเราจะไม่ลงทุนให้กับชีวิตตนเองบ้างเราลงทุนเรียนหนังสือลงทุนทํางานลงทุนเหนื่อยยากตั้งมากมายเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขทําไมไม่ลงทุนเรียนธรรมะแล้วก็มีความสุขที่ถาวรขึ้นมาความสุขในโลกเป็นความสุขชั่วคราวทั้งหมดเลยยังเราจีบหนุ่มได้คนหนึ่งนี่สาวๆเป็นส่วนใหญ่จีบหนุ่มได้ใช่ไหมหาแฟนได้เออสบายแล้วไม่ต้องอยู่คานทองนิเวศเราก็มีความสุข อยู่ประเดี๋ยวเดียวลายมันออกแล้วสันหลังมันยาวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขแล้วความสุขมันอยู่นิดเดียวนะพวกข้าราชการชอบเล่นแชร์เมื่อก่อนถึงขนาดมีมติคอรอมอห้ามเล่นแชร์รู้สึกไหมเล่นแชร์มีความสุขตอนที่เปียดได้แวบเดียวเองนึกออกไหมแวบเดียวเองเวลาที่เหลือนี่เวลาเห็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยในโลกนี้ความสุขมันสั้นนิดเดียวความทุกข์มันเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะนะความสุขของเราเยอะจริงๆ